กับสภาพเพียรล้อทรงเตรียมไว้สําหรับคนชั่วเลวสรามตามรูปแบบหรือแนวทางของอัลกุรอานในการหวงไว้ระหว่างการเชิญชวนให้กระทําความดีและการผูกสัมพักไม่ให้กระทํำความชั่ววันนี้ได้จบลงด้วยภาพลักษณ์ของคนหลงทางคนชั่วเลวสรามที่มีต่อกวงเบาของอรรถที่ดีทรงคุณธรรมโดยพวกเขาได้ย่อเย้ยพวกเบาที่ดีในโลกนี้และการศรัทธาของพวกเขา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 พวกเขาตวงเอาจากคนอื่นก็ตวงเอาเต็มและเมื่อพวกเขาตวงหรือช่างให้คนอื่นก็ทำให้ขาดท่านเหล่านี้นั้นไม่ได้คิดบ้างหรือว่าพวกเขาจะถูกให้ฟื้นขืนจิต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 และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าซิดยีนนั้นคืออะไรคือบันทึกที่ถูกจ่าดิกวัยความหายนะในวันนั้นจงประสบแดบ่บรรดาผู้ปฏิเสธ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 เขาจะกล่าวว่านี่คือนิยายสมัยโบราณไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าสิ่งที่พวกเขาได้ขวนขวายไว้นั้นได้เป็นสนิมบนหัวนใจของพวกเขาไม่ใช่เช่นนั้น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 แค่ไหนอินนะคัตตาบลเอบราร์ในอิลลิยินวน่ามาอัจราค์มาอิลลิยูนคัตตาบุมมะควุมมิใช่เช่นนั้นแท้จริงบันทึกของผู้ทรงคุณธรรมอยู่ในอิลิยินอย่างแน่นอนและอันใดเล่าทำให้เจ้าได้รู้ว่าอิลลิยินคืออะไร คือบันทึกที่ถูกจ่ารึไว้บรรดาผู้ที่อยู่ใกล้ชิดคือมาลากาิกะจะเป็นผู้ดูแลรักษาแท้จริงบรรดาผู้ทรงคุณธรรมจะอยู่ในความโปรดปรานอย่างแน่นอน พวกเขาจะมองดูจากบนเตียงเขาจะได้รู้ถึงความสดชื่นความสุขสำราญที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของพวกเขาพวกเขาจะได้ดื่มสุราบริสุทธิ์ที่ถูกผนึกไว้ ที่ชชยผนึกมันนั้นคือชมดเฉียงและในการนี้บรรดาผู้แข่งขันที่จะให้ได้มาซึ่งความสุดสำราญนี้จงแข่งขันกันเถิดที่ชายผสมสุรานั้นมาจากต้นนีคือตาน้ำแห่งหนึ่งซึ่งบรรดา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 และเมื่อพวกเขากลับไปยังพวกพ้องพวกเขาก็จะกลับไปอย่างคึกขนองและเมื่อพวกเขาเห็นบรรดาผู้ศรัทธา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 ดังนั้นวันนี้บรรดาผู้ศรัทธาก็จะหวัวเราะย่ะพวกปฏิเสธศรัทธาว่าพวกเขาบรรดาผู้ศรัทธาจะมองดูอยู่บนเตีตงยงบรรดาผู้ปฏิเสธจะได้รับการตอบแทนตามที่เขาได้กระทำมาไม่เชิง